เจริญพรนั่งตามสบายช่วงนี้บรรยากาศไม่เหมือนกับทุกปีนะจริงๆแล้วไม่มีปีไหนเหมือนปีไหนหรอกแต่ปีนี้หนาวนาน ช่วงนี้ก็มีบรรยากาศอื่นๆอาตมาได้ยินคำศัพท์ใหม่ๆมันยิงมันิ่งไม่ใหม่แล้วนะคำศัพท์ที่ใช้พูดกันในสังคมย้ำกันบ่อยๆตอนนี้รู้สึกจะทุกฝ่ายจะพูดคาว่าปฏิรูปจริงปฏิรูปเนี่ย ภาษาบาลีแปลว่าทำให้เหมาะภาษาบาลีนะทำให้เหมาะถ้ามาถ้ามาข้างหน้าปฏิรูปถ้าถ้าเป็นปฏิรู ป, ปรเทสวะโสอย่างเงี้นะก็คืออยู่ในอยู่ในประเทศที่เหมาะนี่ปฏิรูปประเทศนั น, นปฏิรูปประเทศคือ ปฏิรูปรเทศวาโสปฏิรูปรกับเทสะเทสะคือสถานที่อยู่ในประเทศหรือสถานที่ประเทศในที่นี้คือสถานที่อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแต่ถ้าปฏิรูปมาอยู่ท้ายปฏิรูปมาอยู่ท้ายกลายเป็นของเทียมเช่นสัตยธรรมปฏิรูป แปลว่าธรรมะที่เทียมเคยได้ยินนี้คํานี้ไหมสัตทธรรมปฏิรูปมิตรปฏิรูปเคยได้ยินไหมมิตรเทียมจะไม่มิตรแท้ไม่ใช่มิตรแท้แต่ถ้าปฏิรูปปฏิรูปรเทสวาสะอย่างเงี้นะเป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปรเทสวาสะ อันนี้หมายถึงคานะคานำหน้าไม่ได้หมายถึงว่าปฏิรูปก่อนปฏิรูปหลังนะั น, นี้พูดถึงเรื่องของธรรมะล้วนๆ น, นะไม่ได้พูดเชียใครแต่ปฏิรูปที่มาข้างหน้าเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปที่มาตอนท้ายเทียมมิตรปฏิรูปมิตรเทียมสัจธรรมปฏิรูป คือธรรมะของเทียมปฏิรูปประเทศหมายถึงปฏิรูปประเทศสวาระเป็นมงคลอันสูงสุดเคยได้ยินไหมปฏิรูประเทศสวารโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตมังคละมุตตมังเคยได้ยินไหม <laughs> หรือไม่ก็อยู่ในจักสีจักสีก็ปฏิรูประเทศะ สัพปริสังเสวินีขนะข่ข้อที่สองนะข้อแรกปฏิรูปเทศวาศข้อที่สองสัพปริสังเสวิ娲ข้อที่สอัตสัมมาปณิทิจัตอัตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบข้อที่สก็จะเป็นปุเพกะตะปุญญาตาปุเพกะตะปุญญาตาแปลว่ามีบุญอันทำแล้วทําแล้วในการก่อน ขอนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะแล้วจะจะบอกมาทําไมมุนทําแล้วในการก่อนเหมือนเหมือนจะบอกบอกให้ทำให้เราทําอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันของที่ทําแล้วอะแต่ท่านได้เชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนี่เรื่องของเรื่องของจักรสีนะจักรสีมาถึงล้อจักรไบว่าล้อเหมือนอะไรกลมอะไรที่มันกลมกลม มีสีข้อก็เปรียบเหมือนเป็นล้อของรถชีวิตจะเจริญก้าวหน้าหรือสังคมจะเจริญก้าวหน้าหมุนไปข้างหน้าอย่างแบบเจริญไม่ใช่หมุนถอยหลังเข้าคลองหมุนไปข้างหน้าอย่างเจริญก็ด้วยสายธรรมสี่ข้อเปรียบเหมือนล้อสี่ล้อที่พาเอายานพาหนะคือสังคมประเทศของเราให้เจริญข้อแรกก็คือปฏิรูปประเทศ ป ฏ, ปฏิรูปปิรูปเทศสวาสะข้อที่สองคือจำได้ไั้มเมื่อกี้บอกไปสัปปุริสะสังเสวะสัปปุริสะหมายถึงว่าบัณฑิตสัปปุริสะเนี่ยพอกลายเป็นภาษาไทยเรียกว่าสัต บ, บุรุษมาจากบาลีว่าสัปปุริสัปปุริสะ เป็นยังไงก็ไม่รู้ทําไมาภาษาไทยกลายเป็นสัตบุรุษสอเสือมรรยากาศตอ่อเต่าแล้วก็บุรุษคนอ่านที่ไม่เข้าใจก็จะอ่านเป็นสัตตะบุรุษจริงๆต้องอ่านออกเสียงว่าสัตว์บุรุษสัตบุรุษถ้าเป็นสัตตะบุรุษสัตตะแปลว่าเจกลายเป็นคนเจคนยุ่งใหญ่เลยสัตว์บุรุษสังเสวะคือเข้าไปเสพ พอบอกเข้าไปเสพเนี่ยนะอันตรายมากเลยนะภาษาไทยยุคนี้มันเพี้ยนไปแล้วนะเข้าไปเสพนี่หมายถึงว่าเข้าไปสนทนาเข้าไปเสวนาเข้าไปสนทนาเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยนี่คือเข้าไปเสพอย่างนี้นะไปพูดคุยกับบัณฑิตบัณฑิตคือคนดีมันก็รายละเอียดไปอีกนะคนดีมองออกไหมเคยเคยเห็นไหมว่าคนดีเป็นยังไงสังคมนี้มันก็ เริ่มแย่ตรงที่ว่ามองไม่ออกว่าใครเป็นคนดีข้อสมคือตั้งตนเอาไว้ชอบตั้งเป้าหมายให้ถูกตั้งเป้าหมายให้ถูกถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ผิดทางเดินก็จะผิดไปเลยเช่นชีวิตนี้ตั้งเป้าหมายาว่าฉันจะต้องรวยให้ได้เท่านั้นล้านเท่านี้ล้านอะไรอย่างนี้นะตั้งเป้าหมายอย่างงี้ผิดต้องตั้งเป้าหมายว่าชีวิตนี้ ถ้าพบมาพได้มาพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้องให้ถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนน่มีที่สุดสองทางเอ๊ะทำไมสองทางทางหนึ่งไปถึงที่สุดคือพ้นทุกข์ให้ได้คือเป็นเป็นพระอรหันต์อีกทางหนึ่งถ้าไม่ต้องการเป็นพระอรหรันต์ ไปเป็นพระโพธิสัตว์มีสองทางนะไปตัดสรู้เองหรือตัดสรู้ตามคือพ้นทุกแบบไหนพ้นทุกแบบตัดสรู้เองหรือไปพ้นทุกแบบตัดสรู้ตามเป้าหมายคือต้องพ้นทุกนั่นเองจะพ้นทุกแบบไหนต้องให้ถึงขนขนาดนั้นถ้าตั้งเป้าหมายไว้ผิดจากตรงนี้นะทางเดินของเราจะผิด ทางเดินชีวิตของเราเนี่ยจะผิดจะเพี้ยนอะไรที่มันเป็นเครื่องยั่วใจให้ผิดทางก็คือการทั้งหลายถ้ายุคนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรพวกผลประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆลาบยศสันเสริญต่างๆพวกนี้ก็จะพาให้หลงผิดคนที่เคยทำบุญมาดี ได้มียศได้มีตำแหน่งสูงสงพอมาอยู่ในยศในตำแหน่งสูงสูงก็เผลอเพลินเพราะตั้งเป้าหมายไว้ผิดบุญในชาติอดีตเคยทำแล้วก็มีจึงได้มีลาบยศเอามาสนองความต้องการในชาตินี้แต่ตั้งเป้าหมายไว้ผิดตั้งเป้าหมายไว้ผิดคิดจะรวยอย่างเดียวคิดจะรวยอย่างเดียวนยแล้วคิดจะให้มีอำนาจเพื่อสนองสนองความอยากตัวเอง ในด้านการการ ใ, ในที่นี้ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเพศนะการคือให้ได้สิ่งที่มาสนองตาหูจมูกลิ้นและกายตั้งเป้าหมายผิดทางชีวิตก็จะผิดแล้วก็ถ้าผิดคือสแสวงหายอย่างผิดก็ยิ่งผิดหนักตั้งเป้าหมายผิดคือหวังรวยแล้วหาทางด้วยทางสุจริต ก็ผิดในแง่ที่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นย่อมมีการเสื่อมสลายในคราวที่เสื่อมสลายไปก็เสียใจเศร้าโศกมันไม่เสื่อมเราเองก็เสื่อมถ้ามันยังอยู่นะแต่เราไม่อยู่มันก็จะพัดพลากใช่ไหมมันจะพัดพลากจากสิ่งที่รักวัตถุนั้นเสื่อมไปก็พัดพลากเราเองเสื่อมไปก็พัดพลาก วัตถุก็หมายถึงคนด้วยนะคนอันเป็นที่รักเรามีคนรักคนรักนั้นตายก่อนเราก็เสียใจเราตายก่อนก่อนจะก่อนจะตายเนี่ยโอ้โหจะต้องจากนางอันเป็นที่รักหรือจากนายอันเป็นที่รักอะไรเงี้ยก็จะเสียใจแต่ตายไปนี่ไม่ค่อยเสียใจหนักเท่ากับไปมีคนอื่นเนาะนั่นก็พัดพลากอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม นี่คือตั้งเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายชีวิตชาตินี้เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วรู้เป้าหมายในชีวิตที่ยิ่งแล้วต้องตั้งให้ตรงกับที่พระองค์ทรงสอนเอาไว้เราไม่ได้เกิดมาในยุคที่มืดมนไม่ได้เกิดมาในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาถ้าเป็นยุคนั้นจะเคว้งคว้างไม่รู้จะมีชีวิตเพื่ออะไรก็อยู่ไปวันวันอยู่ไปวันวั น, วนหมายถึงอยู่ไปสองวัน <laughs> วันวัน <laughs> ล้อที่สล้อที่สีเนี่ยน่าสนใจปุบเพกะตะปุญญาตามีบุญอันทมแล้วในการก่อนเราจะงงว่าทำไมใหญ่คนนี้ตาคนนั้นมันช่างเลวแต่ทำไมรวยมีไหมรู้สึกไหมงงไหม <laughs> ทำไมรวยทำไมยังอยู่ในตำแหน่งสูงอะไรเงี้ยนะเพราะบุญเก่า บุญเก่าแล้วบาปปัจจุบันทำไมไม่ให้ผลเพราะบุญเก่ากำลังให้ผลอยู่แต่เขาใช้โอกาสในการที่มีบุญเก่าแล้วไม่ต่อบุญไม่ต่อบุญเพราะอะไรตั้งเป้าหมายไปผิดมันธรรมะต้องมาเป็นชุดนะต้องมาเป็นชุดมีบุญเก่ามาดีแต่ไม่เอาบุญเก่านั้นมาต่อก็เอาบุญเก่านั้นเป็นเหตุให้สร้างบาปบาปใหม่ แต่ใจเราเนะี่ยอยากจะให้บาปมันให้ผลเร็วๆใช่ไแต่ถ้าเทียบนะพระเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตรู้จักไหมเคยได้ยินนะคงไม่เคยเจอท่านเนาะลือหรือกเคยเปล่า <c oughs> พระเทวทัตทําบาปมากไหมมากนะทําครั้งเดียวหรือเปล่าหลายครั้งนะคิดจะฆ่าพระพุทธเจ้าใช่นหะแค่คิดนี่ก็บาปมากแล้วนะ ลงมือด้วยทีแรกไม่กล้าลงมือเองนะใช้ใครใช้จ้างหวานจ้างหวานจ้างหวานสไนเปอร์เมื่อก่อนไม่มีหลังคาตึกแต่จ้างนักแม่นธนูนักแม่นธนูนักแม่นธนู จ้างนักแม่นทนูคนหนึ่งนะไปยิงพระพุทธเจ้าแล้วจ้างนักแม่นทนูอีกสองคนไปยิงไอ้คนนั้นร้ายไหมยังไม่พอจ้างอีกสี่คนไปยิงอีกสองคนนั้นร้ายไหมไม่พอจ้างอีกแปดคนไปยิงอีกสี่คนนั้นร้ายไหไม่พอสิบหกคนไปยิงแปดคนนั้นดูสิ <c oughs> แล้วอาจจะมีแผนอีกอย่างหนึ่งนะอาจจะให้เงินไอ้สี่พวคนนั้นไม่เท่ากันแล้วไปตีกันเองอะไรเงี้ยนี่คือแผนปรากฏว่าคนแรกไปง้างไปยิงยิงไม่ได้ค้างไอ้สองคนก็รอทำไมไม่มาสักทีวะไม่ทำไมไม่มาสักทีต้องมีวะด้วยนะเพราะว่าไอ้พวกนี้พวกหยาบทำไมไม่มาสักที ก็เดินไปดูอ้าวปรากฏว่าถูกพระพุทธเจ้าเทศอบรมจนกราบใจแล้วกราบใจแล้วก็มาฟังต่อสองคนก็กราบใจด้วยอีกสี่คนก็ทำไมไม่มาสักทีวะนะี่มีวะด้วยจงนะไปจนถึงไอ้สิบหกคนนั้นอะปรากฏว่ากราบใจหมดเลยพระเทวทัตก็โอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ย ขนาดจ้างแล้วนะจ้างไอ้คนสองคนแล้วความลับเปิดเผยหมดเลยเพราะว่าไอ้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยไปไปคุยกัน <c oughs> เมื่อจ้างคนวานคนใช้ไม่ได้คราวนี้ใช้สัตว์ไปมอมเมาช้างนาลากิรนะีก่อนจะมอมเมาเนี่ย น, นะ ไปจ้างไอ้คนไอ้ควานช้างก่อนให้สินบนก่อนกระบวนการพวกนี้นะจะวนๆอย่างนี้ให้สินบนให้รางวัลเพื่อให้ให้แล้วเหมือนมีน้ำใจให้เหมือนมีน้ำใจนะแต่ต้องทำงานให้ฉันเจตนาไม่เหมือนกันนะการให้อย่างนี้ไม่ใช่ให้ทานเรียกให้สินบนให้ทานเป็นบุญ ให้สินบนเป็นบาปจะให้ตำแหน่งก็ตามให้รางวัลบอกว่าตรงทำงานนี่ให้ฉันแล้วก็เปิดโอกาสให้ไปมอมเล่าแล้วปล่อยช้างที่มอมที่ถูกมอมแล้วช้างที่มอมแล้วเมาเนี่ย <c oughs> ก็เรียกช้างอะไรช้างตกหมันทำไมตกหมันไม่รู้นะแอลกอฮอล์ไปละลายอะไร ปรากฏว่าปล่อยช้างนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จบินธบาตอนเช้าจริงก็ไม่เช้ามากหรอกอินเดียนะ่นะบินธบาตอนเช้าเนี่ยยังไม่ตื่นอินเดียจะตื่นสายๆเขาจะไม่กินข้าวเช้าเช้าตรู่ก็จะตื่นมาสักพักหนึ่งหุ ง, หงข้าวสักพักหนึ่งของเขาเนี่ย้าโมงเก้าโมงจริงๆจะหุงข้าว เคยวิบินธบาตก็เลยรู้ว่าพฤติกรรมกระบวนการใช้เวลาของเขาประมาณอย่างนี้ถ้าไปบินก่อน9โมงนะเดินไปก็เดินกลับตัวปลิวไม่มีไม่มีข้าวต้องไปประมาณสัก9โมง9โมงครึ่งหรือ10โมงเนี่ยสบายใจไปแล้วมีคนใส่บาทพระเจ้าเสด็จบินธบาตก็ปล่อยช้างนาริกีกะว่าช้างเนี่ยฟังธรรมไม่รู้เรื่อง ยังไงก็ไม่ถูกกล่อมให้กลับใจจ้างคนเนี่ยไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวถูกกล่อมกลับใจนี่ความคิดของพระเทวทัตถนะจ้างไม่ไม่จ้างมอมมอมเล่าช้างนารากิรีเป็นช้างทรงของพระเจ้าอาชาติศัตรูตอนนั้นเนี่ยกล่อมพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพวกแล้วดัง น, นั้นเข้านอกออกในง่ายไปมอมเล่าช้างนารากิรีได้ ช้างนากิกีเมาตกมันแล้วก็วิ่งวิ่งมุ่งหน้ามาทางพระพุทธเจ้าบ้านเมืองก็ไม่ได้มีถนนกว้างใหญ่แบบมอเตอร์เวย์ถนนก็แคบๆถ้าวิ่งมาเนี่ยนะหลบไม่ได้หรอกเละหมดชาวบ้านที่ที่เตรียมจะใส่บาตรก็กระเจิงหมดเหลือแต่พระ พระเจาหนีก็ผิดสมณสารูปปรากฏว่าเหตุการณ์ตัวนี้มีช่วงที่น่าจดจำที่น่านับถือน้ำใจของพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยตอนนั้นไม่มีฤทธิ์อะไรนะแต่อาศัยใจที่ศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธเจ้ากระตันยูกระตะเวที ในพระพุทธองค์ยอมตายยืนกั้นหน้าออกมายืนกั้นหน้าเลยว่าถ้าช้างจะมาเหยียบพระพุทธเจ้าให้เหยียบท่านก่อนถ้าจะมีการตายเกิดขึ้นขอตายก่อนไม่ได้คิดฆ่าตัวตายถ้าคิดฆ่าตัวตายเป็นอกุศลแต่คิดตายแทนผู้มีพระคุณอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้า การตายถ้าตายตอนนั้นน네ะเป็นกุศลนั้นการตายหรือการไม่ตายไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นบาปหรือเป็นเป็นบุญสภาพศพไม่ได้บ่งบอก <c oughs> ดูที่ใจดูที่เจตนาของคนคนนั้นพระอานนท์มายืนขวาง <c oughs> <c oughs> พระเจ้าบอกไม่ต้องหลบไปอุ้ยขอไปหลบไปเหตุผลที่ให้หลบคือ พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีวิบากที่จะให้มีชีวิตที่ต้องขาดไปก่อนคือไม่ตายโหงถ้าพูดภาษาคนเราชาวบ้านนะไม่มีวิบากที่จะต้องให้ตายโหงไม่มีการตายก่อนอายุไขเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำปานาติบาตมานานแล้ว นานนับชาติไม่ท้วนแล้ววิบากที่จะทำให้ตายก่อนอายุไขคือไปทำปานาติบาสฉะนั้นถ้าเราตายไม่ใช่เราหรือถ้าเราจะตายเองหรือคนที่เรารู้จักคนที่เรารักตายก่อนอายุขยอันควรเนี่ยก็ให้รู้ว่าเพราะมีวิบากที่เคยทำปานาติบาทเอาไว้ก่อนชาตินี้เป็นคนดีก็จริง แต่เราจะรู้ไหมว่าชาติก่อนๆ น, นั้นเคยทำอะไรไว้บ้างใช่ไหมถ้าเราตีโพยตีพายไม่ยอมรับทำไมคนดีอย่างนี้จึงต้องตายลักษณะอย่างนี้ชีวิตเดียวไม่พอที่จะพูดถึงกรรมและเรื่องการให้ผลของกรรมได้ครบถ้วนมีคําหนึ่งชีวิตนี้น้อยนักเคยได้ยินไหมนีม่กำลังทำหนังสือ <laughs> เสียงอ่านหนังสือ ชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้น้อยนักเนี่ยเป็นคำพุทธศาสนสุภาษิตมีอยู่จริงนะตอนที่พระราชาถามพระรัฐบาลรัฐบาลเป็นพระหรือเปล่ารัฐบาลเป็นชื่อของคนคนหนึง่งนะรัฐบาลเป็นชื่อของคนคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ฟังทำแล้วศรัทธาออกบวชขอบวชขอกับพ่ อ, ก, พอกับแม่ขอบวชแต่ก็ไม่อนุญาตพ่อแม่ไม่อนุญาตท่านรัฐบาลก็ใช้วิธีประท้วงประท้วงของท่านประท้วงคือนอนประท้วงเพื่อจะให้ตัวเองไปบวชไปทำกุศล วิธีไม่ได้ทำทำไม่ได้ทาร้ายพ่อแม่แต่นอนนิ่งๆอันนี้ก็เรียกว่าอาริยะขัดขืนหรือเปล่านอนนิ่งๆถ้าไม่ให้บวชก็ยอมนอนตายตรงนี้แหละนอนเนี่ยนะคือไม่กินด้วยนะไม่กินหนึ่งวันผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันสี่วันห้าวัน ชักไม่สบายใจละพ่อแม่ก็เลยเรียกเพื่อนเพื่อนมาช่วยกล่อมพ่อแม่ในกล่อมจนหมดปัญญาแล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อนมาช่วยกล่อมเพือ่อนก็มากล่อมแล้วก็ไม่ไม่เป็นผลใจคอเด็ดเดี่ยวมากรัฐบาลชื่อคนนะท่านรัฐบาลก็เลยเพือ่อนก็เลยไปบอกพ่อแม่บอกว่า คุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้เขาไปบวชเถอะรัฐบาลเนี่ยเป็นคนคนที่เกิดมาในตระกูลเศรษฐีตระกูลสูงทนไม่ได้หรอกไปอยู่เป็นพระนะลำบากบินทบาทเดินเท้าเปล่าอยู่กระตอบหลังเล็กๆในป่าอยู่โคลนไม้นั่งสมาธิเดินยงกลม โอ้ยทนได้ไม่กี่น้ำหรอกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็สึกมาหรือถ้าไม่สึกก็ยังดียังมีชีวิตอยู่จากเป็นดีกว่าจากตายบอกกับพ่อแม่อย่างนี้นะพ่อแม่ก็ยอมรับว่าถ้าไม่ให้บวชนะตายแน่จริงๆตายจริงๆด้วยแล้วเห็นแล้วว่าใจคอเด็ดเดี่ยวอย่างนี้รู้จกักรูปตัวเองดีก็เลยอนุญาตให้บวชพอได้รับอนุญาตให้บวชแล้วรัฐบาลก็เลย บวชทันทีไหมไม่บวชยังไม่บวชร่างกายยังไม่แข็งแรงกินก่อนกินก่อนให้แข็งแรงก่อนบำรุงร่างกายให้เหมาะสมก่อนการปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยร่างกายนะนยก็ต้องอาศัยร่างกายร่างกายที่เหมาะสมแข็งแรงดีสมบูรณ์ดีสดชื่นดีแล้วไปขอบวชพระเจ้าบวชให้บวชไม่นานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไปโปรดพ่อแม่ ตอนเดินทางมาปลดพ่อแม่เนี่ยเดินทางมาอยู่ต่างเมืองนะกลับมาบ้านเมืองตัวเองเนี่ยก็ไปพักที่เขาเรียกอะไรราชอุทยานราชอุทยานของพระราชาของเมืองนั้นพอดีวันนั้นพระราชาส่งคนให้ไปทําความสะอาดจะไปพักผ่อนคนทําความสะอาดก็ไปเจอ ไปเจอก็ไปเจอพระรัฐบาลไปเจอพบแล้วก็จําได้จําได้ว่าจําได้ว่าเป็นลูกเศรษฐีลูกเศรษฐีเนี่ยจะคุ้นเคยกับทางทางในวังก็จะคุ้นเคยแล้วจำหน้าได้ก็ดีใจแล้วก็รีบกลับเข้าไปทูลพระราชาพระราชาก็ ถามว่าเป็นไงไปเตรียมที่แล้แลวหรือยังเตรียมแล้วพระองค์มีข่าวดีด้วยมีข่าวดีด้วยพระรัฐบาลที่พระองค์พูดอยู่เสมอเสมอพูดถึงอยู่เสมอเสมอคือพระราชาเนี่ยชื่นชมมากว่าลูกเศรษฐีขนาดขนาดนั้นนะยังสละทรัพย์สละเงินสละความสุขสบายออกบทไปได้พูดถึงอยู่บ่อยบ่อพูดกับทุกคนที่ที่พบขนาดคนเฝ้าสวนคนเฝ้าสวนยังเคยได้ยินเลย พระราชาชื่นชมชื่นชมลูกเศรษฐีคือท่านรัฐบาลและลูกเศรษฐีบัตรนี้ที่บทแล้วนั้นมาอยู่ที่สวนในวังท่านแล้ววังที่ว่าสวนในวังที่ว่าไม่ใช่มีขอบเขตไม่มีรู้วอะไรนะเป็นวังแล้วก็นี่ให้รู้กันว่าตรงนี้เป็นอุทยานของพระราชาท่านรัฐบาลก็มาพักพระราชาก็เข้าไปเข้าไปกราบ ถามถามว่าเหตุผลเหตุผลทำไมจึงบวชคนบวชเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหมดหวังในชีวิตแก่เจ็บป่วยไม่รู้จะทำอะไรชีวิตนี้หมดหวังแล้วจึงไปบวชทางาศาสนาพราหมณ์จะมีการแบ่งอายุเป็นช่วงๆ ช, ช่วงสุดท้ายของชีวิตคือแก่แล้วเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยให้ไปบวช เรียกวัยสัญญาสีเคยได้ยินไหมสัญญาสีให้ไปออกบทหาโมฆะธรรมแต่ตอนแข็งแรงอยู่เนี่ยหาอย่างอื่น <c oughs> เป็นาศาสนาพราหมณ์แบ่งชีวิตออกเป็นส่วนๆของช่วงปลายชีวิตให้ไปหาโมฆะธรรมยังไม่ถึงปลายชีวิตเลยเป็นหนุ่มเป็นสาวผมยังดําอยู่ยังแข็งแรงอยู่ทําไมออกบวชไปถามพระบาลบอกว่า ปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้อย่าอย่าประมาทว่าจะยั่งยืนชีวิตนี้จะอยู่ได้เพียงอย่างมากก็ร้อยปีร้รอยปีหรือเกินกว่านั้นนิดหน่อยอย่าเข้าใจว่ายืนยาวดูเหมือนยืนยาวโยมาอาย่กี่ปีละ <c oughs> <c oughs> กี่ปีลวถึงร้อยแลยยังรู้สึก ชีวิตตั้งแต่เด็กมาจนถึงขนาดนี้ยาวไหมนานมากนะนนเวลานึกถึงอดีตแล้วบางทีจําไม่ค่อยได้ด้วยซ้ําไปแต่เทียบกับอดีตชาติอันนานไกลในสังสารวัตไม่ยาวเลยขนาดนั้นไม่พอนะอนาคตอีกนับชาติไม่ถ้วนถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์นะยังไม่เป็นพระโสดาบันถ้าโสดเป็นพระโสดาบันอีกเจ็ดชาติไม่ยาวแต่ถ้ายังเป็นปุถุชน ยิ่งถ้าปุถชนแบบกิเลสหนาๆโอ้โหยาวไกลอดีตก็ยาวไกลนับไม่ท่วนอนาคตยังไม่เห็นปลายเลยชีวิตเนี้ยจะอยู่ร้อยปีนี่ยังมากไปเลยขี้ฝุ่นในเอกภพนับไม่ได้เลยว่ามันนิดเดียวจริงๆชีวิตนี้นิดเดียวถ้าเทียบในไทม์ไลน์ นิดเดียวในอดีตอินฟินิตี้อนาคตไม่รู้จิจุดจบอยู่ที่ไหนชีวิตนี้นิดเดียวอย่าคิดว่าร้อยปีจะยืนยาวแล้วใครจะอยู่ถึงร้อยปีร้อยปีว่ายาวแล้วนะแล้วใครอยู่ถึงร้อยปีเดี๋ยวนี้หายากแล้วใช่ไหมพระพ ร, ะราษฎรยบอกกับพระราชาบอกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ยืนยาวนะไม่ได้เป็นอย่าง ไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เข้าใจนะถ้าเทียบกับสังสาราวัตรแล้วอดีตอันอนานไกลนับปีนับชาตินับกลับไม่ทวนอนาคตนับปีนับชาตินับกลับไม่ทวนชีวิตนี้นิดเดียวชีวิตนี้เกิดมาแล้วเจอพุทธศาสนาแล้วมีทางที่จะพ้นทุกได้แล้วต้องบวชชาตินี้แหละรอบวชชาติหน้าไปได้แล้วถ้าคิดจะไปบวชชาติ น, านะ จะเกิดมาเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดมาไปอยู่ประเทศแบบที่ไม่มีพุทธศาสนาก็ได้แล้วคนที่เกิดมาในประเทศที่มีพุทธศาสนากับไม่มีพุทธศาสนาอันไหนมากกว่ากันไม่มีเยอะมากนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเกิดชาติหน้าถ้าชาตินี้ไม่ได้ทําเป้าหมายให้ตรง เพื่อจะให้พ้นทุกเนี่ยนะแล้วประมาทเกิดชาติหน้าถ้าโชคดีถ้ามีบุญเกิดเป็นคนจะได้เกิดในชาติหรือในประเทศที่มีพุทธศาสนาหรือไม่ไม่แน่อาจจะไปเกิดในประเทศที่ไม่เคยได้ยินคําสอนเลยก็ได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ สมเด็จยานท่านบอกว่าสมเด็จพระยานสังวรนะท่านบอกว่าให้นึกนะให้นึกว่าเคยเห็นสุนัขที่เรือนไหมคใครไม่เคยเห็นบ้างสุนัขขี่เรือนให้นึกถึงว่าในอดีตชาติเราอาจเคยเป็นสุนัขขี่เรือนสักชาติหนึ่งก็ได้เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเนาะ เรามีบุญขนาดนี้ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นแต่พระองค์บอกว่าเป็นไปได้เป็นไปได้เราจะไม่รู้เลยว่าในอดีตรเราเคยทำบาปอะไรขนาดไหนไว้เราอาจจะเคยทะเลาะกับภรรยาร่วมสามีของเราแล้วแกล้งเอาเรียกอะไรอะไรคันๆอ่นนะใบ หมามุย้ยฝากหมามุ้ยไปโอยที่นอนของที่เป็นภรรยาร่วมสามีกับเราก็ได้เป็นไปได้ไหมถ้าเราโกรธเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เราอาจจะเคยทำร้ายใครฆ่าใครด้วยความโกรธชั่ววูบก็มีกรรมนั้นวิบากนั้น ก็อาจจะส่งผลให้เราเคยเป็นสุนัขขี้เรือนสุนัขขี้เรือนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกทั้งชาติเลยนะทุกทั้งชาติเลยวิ่งไปที่ไหนก็มีคนอังเกียจมีแต่คนอังเกียจจะเข้ามาอา้อเสาะข้างๆเราเราก็จะไล่ไปใช่ไหมไล่ด้วยมือก็ปรานีมากนะบางคนไล่ด้วยก้อนอิดก้อนหินใช่ไหมมีไม้ก็จะใช้ไม้ใช่ไหมมีปากเราก็ด่าด่าไปเลยนะ ใช่ไหมหาคนก็ถูกไล่ถูกตีถูกขว้างถูกด่าไปหาหมาด้วยกันหมาก็กัดดูสิ <c oughs> ยากไหมอยู่ยากนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อะ่ะไม่มีใครครบเลยะหมาเน่าทั้งตัวอย่างเงี้ยนะหมาเป็นขี้เรือนเนี่ยนะทุกข์นะทุกข์แล้วบ่นให้ใครเขาก็ลําคาญด้วย <c oughs> บ่นออกมาทีไรเนี่ยนะคนจะลาคาญว่ามันเสียง หมาตัวนี้หอนอีกล้ใช่๊ะไหมคร่าครวนให้ใครฟังคนนั้นก็รำคาญค่ําครควรให้หมาฟังหมากัดอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานเพราะจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะคันที่ที่มีความสุขที่สุดคือใกล้ๆ ก, กองไฟกองไฟร้อนๆที่คนคิดว่าเป็นทุกข์มากๆห ม, มาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะ จะมีความสุขเพราะความร้อนทําให้หายคันร้อนจัดจัดทําให้ลืมคันเคยไหมคันตรงนี้นะมีคนมาตบหน้านี่ลืมคันนะเห็นไหมคันตรงเนี้ยมีเปี๊ยโอ้โหมึงฮไม่ได้โกรธตรงนี้แล้วไม่ได้โกรธที่ที่ยุงมากัดแล้วนะโกรธไอ้คนตก ของหมาขี้เรือนสุนัขขี้เรือนอย่าคิดว่าไม่เคยและอย่าคิดว่าจะไม่เป็นที่เราเป็นสุขอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะวิบากของกุศลให้ผลอยู่อย่าเป็นอย่างคนที่วิบากกุศลให้ผลแล้วประมาทมีตัวอย่างใช่ไม้มคนที่ได้ดีมีสุขมีตำแหน่งสูงสูงแล้วประมาท ใช้ความสุขใช้อำนาจใช้เงินไปในทางที่ผิดเขายิ่งประมาทอยู่ถ้าวิบากกุศลกำลังให้ผลไม่เห็นผลว่าตัวเองจะได้รับผลยังไงกับบาปที่เคยทำรู้สึกว่าฉันฉลาดที่ได้เอาเปรียบคนอื่นน่าสงสารนะเวลาเราอยู่ในสังคมที่มีคนประเภทอย่างนี้อย่านึก โกรธ ด, ด้วยอกุศลถ้าเราจะไปโกรธเรากําลังสร้างอากุศลให้เกิดกับใจกับสิ่งที่เขาทำไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาชนะความชั่วด้วยความชั่วไม่ได้สอนให้เอาต้องชั่วยิ่งกว่าให้ไปชนะไอ้คนชั่วคนนั้นชั่วนิดเดียวก็ไม่ให้ ช่วนิดเดียวก็ไม่ให้เพราะไม่คุม้มถ้าเราจะถูกทําร้ายจนตายในขณะที่เราคิดชัว่วถ้าเราถูกทําร้ายจนตายนะไอ้คนชั่วมันทําชั่วได้อยู่แล้วใช่ไหมมันทําชั่วยอย่างคิดไม่ถึงเราอาจจะตายตอนที่เขากําลังทําร้ายเราแล้วเรากําลังคิดชั่วคือโกรธอาฆาตขณะนั้นเราจิตเป็นอกุศลไม่คุม้มไม่คุ้มนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเปรียบเวลาสอนนะมีอยู่พระสูตรหนึ่งอ่านแล้วโอ้โหเราจะทำได้หรือเปล่ายังไม่แน่เลยนะเนี่ยท่านบอกว่าถ้ามีโจรถ้ามีโจรจับจับเรายึดเอาไว้ยึดขาเอาไว้ยึดแขนเอาไว้จับเอาไว้ตรึงให้ไม่ให้เราดิน้นดิ้นได้ก็เห็นดิ้นนิดหน่อยพลิกไปพลิกมาดิ้นหน่อยจับเอาไว้นะ แล้วเอาเลื่อยเลื่อยที่มีคนจับสองข้างอ่ะเคยเห็นมหมเลื่อยใหญ่ใหญ่อ่ะที่เลื่อยเลื่อยเลื่อยซุงอ่ะเลื่อยไม้ท่อนใหญ่ๆจับสองข้างแล้วเลื่อยที่ท้องผ่าตัวเราถ้าก็ทำอย่างนี้นี่ท่านสอนพระนะถ้าท่านถ้าเาทำอย่างนี้กับท่านแล้วท่านโกรธแสดงว่าท่านไม่ทำตามคำสอนของเรา ถ้าพิกษุถูกโจรจับยึดหัวท้ายแล้วเอาเลื่อยเลื่อยที่กลางลําตัวผ่าลําตัวออกเป็นสองซีกจะซีกทางนี้หรือซีกทางนี้ก็แล้วแต่ น, นะแล้วถ้ามีจิตโกรธอาฆาตคนที่ทำพิกษุนั้นไม่จะไม่แสดงว่าพิกษุนั้นไม่ทำตามคำสอนของเราเรา น, นี้คือพระพุทธองค์สอนขนาดนี้นะให้เห็นว่า เวลาจเจริญเมตตาจเจริญเมตากับบุคคลทั่วๆไปจเจริญแม้กระทั่งศัตรูทำยากไหมยากนะแต่ต้องทำเพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่มีคนดีทุกคนเราจะต้องเจอคนที่ไม่ดีบ้างแหละและคนที่ไม่ดีนั้นอาจทำร้ายเราก็ได้อย่าเผลอไปโกรธคนไม่ดี เวลาเจริญเมตตาเจริญเมตตาเนี่ยนะท่านสอนให้เจริญเมตตาให้ตัวเองก่อนตอนนี้ต้องใช้เมตตาเยอะๆนะสังคมแต่ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นนะตอนแรกๆเนี่ยจะจะโกรธกันเยอะบรรยากาศตอนนี้เริ่มดีขึ้นต้องดีขึ้นอีกดีขึ้นดีขึ้นอีกท่านให้เมตตาตัวเองก่อน ดูใจตัวเองถ้ามีความโกรธนะให้รู้ใจตัวเองเลยขณะที่มีความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นทันทีขณะที่โกรธคือทุกขเวทนาสังเกตตรงนี้นะถ้าเห็นความโกรธไม่ทันให้ดูทุกทุกขเวทนาที่เกิดในใจให้เมตตาตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะมีทุกอย่างนี้เลยทําไมถึงมีทุกอ๋อไปโกรธเขาถ้ารู้อย่างนี้นะให้มีสติรู้ให้ทันรู้อย่างนี้แล้วให้เมตตากับคนใกล้ๆที่เรารัก เมตตาพ่อเมตตาเมตตาแม่เมตตาลูกเมตตาคนในครอบครัวเมตตาเพื่อนเมตตาญาติมิตรของเราแล้วก็ขยายกว้างออกไปเป็นเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอย่างนี้อย่างงี้พอได้พอเจริญเมตตาจนเมตตาเจริญเข้าใจไหมมีเมตาก่อนนะถ้ายังไม่มีเมตตาเลยให้เมตตาตัวเองอันนี้เมตตาจะจะมีขึ้นแหละแล้วเอาเมตตาที่มีเนี้ยเจริญ คือให้งอกงามมากขึ้นไปให้คนในครอบครัวให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานและขยายเมตตาให้เจริญขึ้นไปอีกให้กับคนที่เฉยๆคนที่อาจจะไม่รู้จักสุดท้ายคือเมตตากับศัตรูถ้าอยู่ๆจะไปเมตตาศัตรูเลยเนี่ยทำไม่ได้ทํายากนึกหน้าขึ้นมาโกรธอีกแล้วนึกบ่อยโกรธบ่อยนั้นถ้าจะเมตตาจเจริญเมตตาตัวเองก่อน ขอให้เราเนี่ยอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าให้มี ค, ความคิดร้ายกับใครเลย